นะการเข้าไปละคือปะหาร น, นะก็ศึกษาใช่ไหมเพราะแสดงว่านี่การเจริญนิพพสนาการเจริญสมถะก็คือศึกษาการเข้าไปเจริญนะเป็นภาวนาป เ, วเป็นภาวนานะเป็นภาวนาก็ศึกษาเพราะนั่นคําว่าศึกษาเนี่ยนะครบหมดเลยแล้วถ้าผู้ใดไปทําตามนี้นะก็สามารถที่จะปฏิบัติตามนี้ได้เนี่ยนี่นิด น, น, นึข้อสังเกต ยทั้งหลายมีผู้ที่เริ่มต้นศึกษาพระไตรปิฎกจะฟังแล้วค่อนข้างมากแล้วก็ยังอยู่ในวัยที่ยังศึกษาอีกยาวให้เลยถ้าไม่อุปคาตกรรมสักกอนหน่อยนะ <c oughs> อุปคาตกรรมไม่ตัดร้อนก็คือได้ศึกษาอีกยาวเมื่อศึกษาพระธรรมยาวเนี่ยเคือเรกว่าข้อควรระวังในการศึกษาพระธรรมคือเรคว่าควรรู้เอาไว้เพราะว่าถ้าหากว่า เราเข้าใจผิดเกี่ยวกับการศึกษาพระธรรมคาสอนก็คือขาดทุนชีวิตนั่นเองซึ่งไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ที่นี้ในขณะเดียวกันบางท่านอาจจะฟังแล้วเข้าใจผิดคิดว่ามาตอกย้ำกับในบางกรณีอันนี้ไม่ใช่เลยไม่ใช่กรณีที่ต้องการจะตอกย้ำผู้ใดผู้หนึ่งไม่ใช่แต่ว่าตารบถึงผู้ที่เริ่มศึกษาใหม่ๆที่คิดว่ายังศึกษาพระธรรมอีกยาว ว่าการศึกษาพระธรรมนั้นเบื้องต้นมันก็ทิศทางเดียวกันหมดอะนะจะไปนิพพานที่เดียวกันตอนต้นนะไปมีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเหมือนกันมีพระธรรมเป็นสารณะเหมือนกันมีพระสงฆ์เป็นสารณะเหมือนกันมีมัสมัสมีองค์แปดเดียวกันแต่พอนานๆเข้ามันคนละมัชแล้วแค น, นะตอนแรกมันเส้นอะไรนะเส้นเส้นคู่นะเส้นคู่ตีขนานแล้วก็ค่อยๆห่างกันโดยโดยอะไร มือนก็นตั้งเข็มทิศเอาไว้นะคือมันเอียงกันแค่องศาเดียวในะตอนต้นใช่ไหมถามว่าตอนต้นเนี่ยเอียงองศาเดียวเนี่ยถ้าไปสักห้าร้อยกิโลเมตรแล้วมันห่างกันเท่าไหร่เท่าไหร่นะโอโ้โหคํานวณไกลมากเลยนะนี่ถ้าตอนต้นเนี่ยถ้าตั้งไว้สักสิบองศาห่างกันเนี่ยนะโอโ้โหแล้วมันจะทางออกโครทวีปเลย ในระยะยาวนั้นก็เสียหายนี่ก็เหมือนกันการศึกษาพระธรรมเราควรตั้งอัตตะสัมมาปณิธิไว้อย่างไรเพราะว่าการศึกษาพระธรรมคําสอนอโดยเฉพาะตามพระตพไตรปิฎกเนี่ยนะศึกษาศีลอันนี้ส์งของการศึกษาศีลเป็นอย่างดีทีนี้อันนี้สองคืออะไรบอกว่าวิชาสามผลของการรักษาศึกษาศีลเป็นอย่างดีปฏิบัติอยู่ในศีลอันนี้ส์งของศีลและสัมปทา คือพูดถึงพร้อมด้วยศีลจักได้วิชาสามถามว่าพระสูตรละ่ะพูดถึงถึงพร้อมด้วยพระสูตรจับบริบูรณ์ด้วยสมาธิเขาจะบริบูรณ์ด้วยคุณคืออภิญญาหกถ้าหากว่ามีคุณสมบูรณ์ในพระพิธรรมปฏิบัติและศึกษาตามพระพิธรรมอันนี้สองก็ได้เป็นได้ปฏิสัมพิธาสีทีนี้ถ้าศึกษาในศีลผิดถ้าศึกษาแล้วก็เข้าใจผิดในเรื่องศีล โทษก็คือทุ้กขถ้าศึกษาเรื่องศีลไม่ดีทุศีลถ้าศึกษาพระสูตรแล้วเข้าใจผิดพลาดเกิดอะไรขึ้นเกิดมิจฉาทิฐิถ้าศึกษาพระธรรมแล้วพลาดอะไรเกิดขึ้นฟุ้งซ่านเนไหมดังั้นการศึกษาพระธรรมคําสอนนี้ก็มีข้อข้อที่พึงระวังว่าศีลหรือวินัยถ้าศึกษาไม่ดีทุศีลพระสูตรถ้าศึกษาไม่ดีกลายเป็นมิจฉาทิฐิไปเลย ข้าพิธรรมถ้าศึกษาไม่ดีกลายเป็นอะไรฟุงร้งซ่านทีนี้ถ้าศึกษาทั้งพระโดยเฉพาะศึกษาผิดทั้งวินยัยพระสูตรข้า พ, พิธรรมอะไรจะเกิดขึ้นทูศีลด้วยมิจฉาทิฐิด้วยแล้วก็ฟุ้งซ่านด้วยโอ้เสียหายมากนะท่านก็หวังว่าทีนี้ถามว่าเราอะไรเป็นเครื่องตรวจสอบว่าเราทั้งหลายนั้นศึกษาและดําเนินไปตามปฏิปทาที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงไว้เราเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองหนอซึ่งของมาก็ชอบอลัลลัคทูปมาสูตรมานานและว น, นะชอบแล้วก็พยายามอ่านบ่อยๆเพราะว่าเราจะได้ตั้งอัตตสัมมาปณิธิในการศึกษาพระธรรมต่อไปเนี่ยนะเพราะว่าอย่าลืมว่าพระพุทธศาสนาสิ่งใดที่จะมีอุปการะคุณเท่ากับจิตที่ตั้งไว้ชอบไม่มี อะไรที่จะมีโทษยิ่งกว่าจิตที่ตั้งไว้ผิดก็ไม่มีเพราะฉะนั้นการตั้งจิตนั้นสำคัญมากมพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่ช่วยบ่งบอกอกล่าวถึงวิธีการตั้งอัตตสมัมมาปณิทิคือการตั้งจิตนั่นเองอข้อความในอลคัตูปมะสูตรเนี่ยนะข้อส7 4รเจ็ดสิสี่มัชฌิมิกายมูลปันธาต กล่าวว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยูน่นาพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาบินธิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีอันนี้ในสถานที่เลยนะเกือบเกือบใกล้สถานที่แล้วสมัยนั้นแลทิฐิอันชั่วคือมิจฉาทิฐิเกิดขึ้นแก่อริ tha ภิกษุผู้เป็นเหล่ากอของคนค่าแรงว่าข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงแล้ว โดยประการที่ทำทั้งหลายที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นธรรมะกระทําซึ่งอันตรายทำเหล่านั้นไม่สามารถทําอันตรายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริงพระพุทธเจ้าบอกว่ามันมีโทษเอ๊ะไม่เห็นมีโทษอะไรเลยอ น, นะก็คือมีความเห็นตรงกันข้ามกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ว่าอนินเสียหายในะเรื่องนี้ใช้ไม่ได้ท่านก็บอกเอ๊ะไม่เห็นเป็นไรนี่เพราะฉะนั้น ปกติคำว่าทำที่ทําอันตรายเนี่ยนะอันตรายยึกธรรมเราเคยได้ยินใช่ไหมเวสารัชยานของพระพุทธเจ้ามีสี่อย่างหนึ่งหนึ่งขีณาสวัปฏิญญาสองสัมมาสัมพุทธปะปฏิญญาสามอันตรายยึกธรร ม, มเทศนาสี่นิยานิกรร ม, มเทศนาคีณาสวาปะปฏิญญาก็อันนี้เรียกว่าเป็นพระอรหรันเนี่ยนะ คือไม่มีใครมาโจทย์พระ อ, องค์ว่าคื อ, ค อ, อนิย า, านิกระทธรรมะเทเสนผ้าอรหันต์แต่ยังมีกิเลสเหลืออยู่อันนี้อันนี้ไม่มีใช่ไหมอันนี้เรียกว่าขีณาสวัสดิญญาสองพองศ์ปฏิญญาว่าเป็นอะไรเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครที่จะมาโจทย์พระองค์ว่าสิ่งนี้พระพุทธเจ้าไม่รู้จริงหรือยังไม่รู้สิ่งนี้อันนี้ก็ไม่มีข้อสองเรียกว่า Drive. สัมมาสัมพุทธาปติญญาสาอันตรายยึกธรร ม, มเทศนาคือสิ่งที่พงศ์ตัดว่าเป็นอันตรายสิ่งนั้นต้องเป็นอันตราย ถ้าปฏิบัติล่วงละเมิดในสิ่งนั้นอันตรายแน่อันนี้เรียกว่าอันตรายยึธรรมเทศนาแล้วก็สุดท้ายคือนิยานิยธรรมเทศนาว่าทำใดที่พระองค์แสดงว่าเป็นธรรมะที่นําออกจากวัตถุทุกได้จริงก็เป็นจริงอย่างที่พระองค์ตรัสเอาไว้ไม่มีผิดพลาดอันนี้โลหิตสี่สประการเรียกว่าจตุเวสารชยานยานที่ทําให้พระองค์ถึงความเกล้กลา นี่ก็เหมือนกันพระองค์นี้ในสูตรนี้พระองค์ก็ตรัสถึงอันตรายยิ่งธรรมใช่ไหมว่าทำที่เป็นอันตรายแต่ผู้ส่องเสพได้จริงแต่ท่านพระอริ tha บอกว่าเอ๊ะไม่เห็นมีอันตรายอะไรไม่มีโทษเนี่ยนะไม่มีโทษไม่มีอันตรายปกติอันตรายยิ่งธรรมนั้นมีห้าประการด้วยกันเลยนะอันตรายยิ่งธรรมนะ้าหนึ่งหนึ่งอะไรกรร ม, มาวานเครื่องกั้นคือกรรมกรร ม, มาวาคืออะไร ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพาระอรหันทรำโลหิตตุบาทก็คือธรรมานันตรีย ก, กรรมห้านั่นแหละอันนี้เรียกว่ากรร ม, มาวนนั้นกรร ม, มาว น, นั้นก็คืออนันตเรียกกรรมห้าสองวิปากาวนถ้าเกิดมานะอเหตุกะปฏิสนธิทวิเหตุกะปฏิสนธิบรรลุไม่ได้อันนี้เรียกว่าวิปากาวรน ข้อสามก็กิเลสาวร์ถ้าเป็นนิยตมิจฉาทิฐิเรียกว่ากิเลสาวร์เครื่องกั้นคือมิจฉาทิฐิข้อสี่อะไรอนาวิอะอายุประวาดอ า, ายุประวาดก็คือการว่าร้ายพระริยเจ้าว่าไปดูหมิ่นพระริยเจ้านั่นเองไปดูหมิ่นพระริยเจ้าว่าท่านไม่มีคุณธรรมเหล่านั้นแล้วก็สุดท้ายคืออน า, าวาิติกามะ เป็นพระภิสูจนั้นจงใจล่วงละเมิดพระธรรมวินยัยแล้วไม่คิดจะแสดงคืนไม่แสดงคืนอันนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องกั้นขีดว่าละเมิด อ, อาณาของพระพุทธเจ้าอาณาวีติกรมา ก, ก็คือล่วงละเมิดอาณาเขตที่พระพุทธเจ้าห้ามเอาไว้ทั้ง5ประการนี้ถือว่าเป็นธรรมที่เป็นอันตรายทีนี้พระภิกษุอริษฐาเนี่ยก็คือไม่เชื่อว่าพระวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัตินี้มีอันตรายจริง สมุทรล่วงละเมิดแล้วจะเป็นอันตรายจริงท่านไม่เชื่อผนภิกษุทั้งหลายก็ได้ยินว่าทิฐิอันชั่วเห็นปานนี้บังเกิดขึ้นแก่อริ tha ภิกษุผู้เป็นเหล่ากอของคนฆ่าแรงว่าข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงแล้วโดยประการที่เป็นธรรมธรรมทั้งหลายที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าต้องมีพระภาคกระทําซึ่งอันตรายธรรมเหล่านั้นไม่สามารถทําอันตรายแก่ เพราะพระผู้มีพิสูุน์เหล่านั้นก็เลยเข้าไปถามว่าท่านมีความเห็นอย่างนั้นใช่หรือเปล่าอริทธาก็บอกว่าจริงท่านทั้งหลายข้าพระเจ้านี่มีความเห็นอย่างนั้นจริงพิสูจทั้งหลายก็เลยปรารถนาจะปลดเปลื้องอริทธาพิสูจน์ผู้เป็นเหล่ากอของคขนฆข่าแรงจากทิฏฐิอันชั่วเห็นตา น, นั้นจึงซักซายไล่เลียงสอบสวนด้วยกล่าวว่าท่านอริทธาท่านจะได้กล่าวอย่างนั้น อย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้าการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ดีดอกอนะไปไปมูสาวาากับพระพุทธเจ้าไม่ดีเลยว่า ง, งั้นเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ตรัสอย่างนี้ก็ห้ามบอกว่าอย่าไปคิดเรื่องนี้เลยทีนี้ถามว่าเออแล้วความคิดของท่านพาริษฐานเนี่ยท่านคิดเรื่องอะไรคือจริงๆแล้วพระาริษฐานนี่ท่านเป็นพระหูสูตรนะท่านเป็นผู้ที่เรียนมากแทบจะทรงพระไตรปิฎกเนี่ยแหละท่านนี้เป็นพระธรรมกถึก เป็นผู้แสดงธรรมก็เป็นนักเทศที่มีความสามารถสูงนะย่อมรู้อันตรายยึกธรรมที่เหลือแต่เพราะตนนี้ไม่ฉลาดในพระวินัยจึงไม่รู้อันตรายยึกธรรมคือการล่วงละเมิดพระวินัยบัญญัติกันะกรรมมาวอท่านก็รู้กิเลสาวรนท่านก็รู้วิตากาวอท่านก็รู้อรยิยปวารท่านก็รู้แต่ไม่รู้ข้อการล่วงละเมิดพระวินัยว่าการล่วงละเมิดพระวินัยไปแล้วนี้เสียหาย เพราะฉะนั้นพิสุที่อยู่ในที่ลับพิสูรูปนี้นะท่านอยู่ในที่ลับก็เลยคิดว่าเรายกตัวอย่างว่าเครือขัดเหล่านี้บริโภคกามคุณหา้าก็เป็นพระโสดาบันก็มีเออเขาก็ยังหมกมุ่นอยู่กับครอบครัวเขาก็เป็นพระสะกท า, าคามีก็มีเขาก็อยู่ครอบครัวนี้เขาก็เป็นพระนาคามีก็มีฝ่ายพวกพิสูพิจารณาเห็นรูปที่น่าพอใจที่พึงรู้สึกด้วยจักสุถูกต้องโพธิภาด้วยกายที่พึงรู้ได้ด้วยกาย ย่อมใช้สอยเครื่องล่าและเครื่องนุ่งห่มที่อ่อนนุ่มข้อนั้นทั้งหมดควรก็คือหมายความว่าถ้าพระพิสุจะทําเหมือนคารวาสก็ไม่เห็นมีเสียหายอะไรเพราะอะไรเพราะคารวาสทั้งหลายท่านก็บรลุ ก, กันใช่ไหมเป็นพระคารวาสกับบรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีเพราะฉะนั้นพระพิสุเหล่านี้ถ้าล่วงละเมิดเช่นนั้นก็ไม่น่าเสียหายก็ไม่น่าเสียหายตอนแรกก็ไม่น่าเสียหายใช่ไหมตอนห <c oughs> ลังบอกไม่เสียหาย ไม่เป็นอะไรนะถ้าพระพิสุทธ์จะทําแบบคารวะก็เจ้าหา อ, อะไรท่านมีความคิดอันนี้เกิดขึ้นมาก็ดิ่งเลยพันถือว่าถ้าจะเหล็กเมทุนก็คือทั้งหมดก็สมควรอย่เอะเพราะเพราะเหตุหไรเพราะรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพของหญิงเท่านั้นไม่ควรฝ่ายรูปเป็นต้นเหล่านั้นจึงควรอริษอริษฐานเนเทียบเคียงรถกับรถรวมการบริโภคด้วยอํานาจราคาที่มีฉันทะกับการบริโภคอํานาจราคาที่ไม่มีฉันทะแล้วเกิดทิฏฐิอันลามก เหมือนเทียบผ้านเนื้อละเอียดกับปอยาบประหนึ่งเทียบภูเขาสินเนโรกับมเมล็ดพันธุ์ผกาดขัดแย้งกับพระสัพพัญยุตยานว่าทำไมพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติปรถมปาราชิกด้วยอุตสาหะใหญ่อย่างปาราชิกก็คือเรื่องเสพเมถุนก็คือท่านมีความคิดว่าพระพิสุเสพเมทุนไม่น่าเสียหายอะไรไม่น่าเสียหายอันนี้นิพูดแบบไว้ไว้คําหน่อยนะจริงๆบอกไม่เสียหายนั่นแหละถ้าพระพิสุจะเสพเมทุนก็ไม่มีปัญหาอะไร มันก็ถือว่าขัดแย้งกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชนิดที่เรียกว่าเขาสิอะไรนะมันมันขัดกันจนไม่รู้จะขัดกันยังไงแล้วอ่ะเกิเถือว่าขัดแย้งกับพระสัพพัญยุตยานบานประหนึ่งกั้นมหาสมุทรคือพระองค์นี้ภาพเพียรบัญญัตพิพระวินัยประราชิกเป็นต้นเ น, นี่ยนะเหมือนกับว่ากั้นทะเลเลยแหละลงโทษโทษในพระบัญญัตินั้นพระพิสุรูปนี้ถือว่าไม่มีตัวเองนี้คัดค้านเวสารัชยาน คือโดยเฉพาะข้ออะไรนะอนาวิติกมะเนี่ยนะหรือที่เรียกว่า อ, อนาวิติกมะใส่ตอและใส่หนามลงในอรยมักประหารอาณาจักรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระชินเจ้าว่าโทษในเมถุนธรรมไม่มีอันนี้ก็คือเนื่องจากว่าไม่ละเอียดรอบข้อบนะนึกว่าโพธภารมเหล่านั้นนะถ้าพูดแบบภาษาปรมันจะมีอะไรใช่ั้ย อาศัยกายกับโพธาภะเกิดกายาวิญญาณธรมมะ ส, สามอย่างประชุมกันเป็นภาษะก็ามาคิดอย่างนี้เอ้ก็ไม่น่าเสียหายอะไรทําไมจะต้องบัญญัติวินัยเรื่องเราซะใหญ่โตไปหมดเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะใสใจแต่โดยธรรมัดจนจนไม่รู้ว่าอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษเนี่ยนะทีนี้พระพิสุก็บอกว่าท่านอย่ามีความเห็นอย่างนี้ความเห็นอย่างนี้ใช้ไม่ได้ไม่ดีเพราะว่าถ้าหากว่าพระพิสุทําอย่างนั้นจริงเนี่ยนะไม่สามารถบรรลุธรรมได้ เพราะว่าเป็นธรรมอันตรายแก่ผู้ทำอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ากามทั้งหลายมีความยินดีน้อยอสาธาเนี่ยน้อยมีทุกข์มากมีความคับแคนมากโทษในกรามเหล่านั้นเนี่มีอย่างยิ่งเนี่ยนะถ้าเรามองการบริโภควัตถุ ก, กรรมโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรยาวๆนะคิดอยู่แค่ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยไม่เห็นหน่ากลัวอะไรเลยใช่ไหม ไม่เห็นน่ากลัวเลยถ้ามองอะไรทุกอย่างเฉพาะหน้านะวัตถุกรรมเนี่ยไม่มีอะไรน่ากลัวเลยแต่ถ้ามองระยะยาวนะเอาห้าสิบล้านชาติรวัดอย่างเงี้ยเอาเาสังสารวัตมาจับเนี่ยจะรู้ว่าต้นต่อต้อนเนี่ยมันมันพาไปความพาไปเสียหายแค่ไหนในในระยะหลังๆตามมาเนี่ยลุกติวินิบาต์อินเดียนี่ใครป่าเถนะจะมาเกิดที่นี่บ้างยุคนี้ไม่มีเลยใช่ไหมแต่ถ้ามาไหว้พระอีกมาคือถามว่าทําไม ถามว่าทําไมเขาจึงมาเกิดเป็นคนอินเดียหรือมาเกิดเป็นคนยากทั้งหลายมาจากไหนสาวไปหาต้นต่อก็คือจากวัตถุกรรมกับกิเลสกรรมนั่นแหละแม้กระทั่งหมู่เดรฉ า, านทั้งหลายที่เราได้ยินเสียงเราได้ยินเห็นเขาทุกข์เขายากเขาเดือดร้อนนะนั่นก็เป็นผลจากการบริโภควัตถุกรรมความพี่การทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยนะก็เกิดจากอะไรก็เกิดจาก วัตถุกรรมแล้วถามว่าอบายทุกขติวินิบาตนรกทั้งหลายที่เขาตกเนี่ยเพราะอะไรเป็นต้นต่อจริงๆถามหาสาเหตุจริงๆนี่ก็คือเนื่องจากวัตถุการามทั้งนั้นเลย น, นแม้กระทั่งมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็เพื่ออะไรเพื่อจะได้เสพวัตถุกรรมโดยที่มันไม่มีโทษ นะก็เลยเป็นที่ตั้งแห่งมิจฉาทิฏฐิพันถุกรรมทั้งหลายนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีโทษยิ่งนักอ น, นะโทษอะไรที่จะเสมอด้วยสิ่งเหล่านี้ไม่มีแล้วก็สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ไม่น่ายินดีมีอยู่ความน่ายินดีแต่ว่าน้อยนักเนี่ยนะน้อยนั ก, น, น, ก น, นะ ส, สังเกตดูนะเช่นอะไรรู้ไหมเช่นอาหารเนี่ยเช่นถ้าทานอาหารแล้อาหารแสลงแบบป้าสฉลวยเนี่ยนะโอทานตอนอาธาร น, นี่อร่อยไหมอร่อยมาก ถามว่าเดินเข้าห้องน้ําบ่อยๆดีไหมโอ้ยตอนแรกมันก็อร่อยดีอยู่หรอกนะตอนหลังล่ะเดือดร้อน <c oughs> คือจริงๆแล้ววัตถุ ก, กรรมทั้งหลายเนี่ยหลายๆเรื่องดีแต่เฉพาะในตอนแรกแต่ตอนหลังไม่ได้ดีจริงเนี่ยนะอย่างวัตถุทุก์ทั้งหลายเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ไอ้ทีนี่ไอ้ไอ้ตอนที่มันฉาบทาไว้ต้นที่มันน่าหน้าปราะถนาในตอนตอน้นแต่ตอนท้ายมันเสียหายเนี่ยสัตว์ทั้งหลายไ ม, ไม่ไม่นึกไปสาวไปหาต้นเหตุว่ า, เ, ว า, เ, กวาเกิดจาก ตรงนั้นอย่างแท้จริงที่เราทั้งหลายมาพอรู้บ้างก็อาศัยสัพพัญยุตยานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านะเป็นคนที่มองอะไรสามระยะด้วยกันหนึ่งมองเป็นทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมก็ไม่ได้มองแค่วันสองวันมองเป็นสิ บ, ส, บ, ส, บสิบปีมองไปจนตลอดชีวิตเนี่ยทิฏฐธรรมสองอุปชาอุปชาหมายถึงว่าลั่งอัชาติหน้าไล่ไปเรื่อยสาม อปรารเวทนียกรรมเนี่ยนะกรรมที่ให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นไปนี่ในหนึ่งแล้วพระองค์เนี่ยสอนที่จะทํามยิคตะประโยชน์สัมปรายิกถะประโยชน์และประมัติะประโยชน์คือคือสอนประโยชน์อย่างสูงสุดนะประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์โลกอย่างยิ่งแล้วก็กรรมก็มองแบบกรรมที่มีผลชาตินี้กรรมมีผลชาติหน้ากรรมมีผลเป็น ชาติที่สามเป็นต้นและ ว, วิบากที่กําลังทําอยู่เนี่ยเป็นผลของกรรมในชาตินี้กรรมในอดีตหรือกรรมในอดีตที่ผ่านมาอันทองมองชีวิตเนี่ยมองแบบระยะยาวมากเมื่อมองชีวิตแบบระยะยาวรู้เลยว่าต้นตนนี้ก้อนเล็กๆเนยเกิดจากอะไรเนี่ยนะอันทงองก็เลยตรัสว่าการรมทั้งหลายเนี่ยมีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในกรมเหล่านั้นเนี่ยมีอยู่เป็นอย่างยิ่ง ปองก็เลยสรรหาคําอุปมาทั้งหลายแหละที่ข้อแรกหมาแทะ ก, กระดูกนะเหมือนเหมือนแทะ ก, กระดูกเนี่ยนะข้อสองเหมือนอะไรเหมือนชิ้นเนื้อชิ้นเนื้อนี่มันแย่งกันเนะีดูสังเกตจากอะไรนะมก็ไม้เนี่เด็กขอทานที่แจกอาหารตานี่แหละแต่ตอนแจกอาหารนี่มันเหมือนชิ้นเนื้อจริงๆนะมันแย่งกันขนาดนั้นนี้ก้อนเล็กๆนะก้อนโตเนี่ยมันแย่งกันแต่ว่ามีชั้นเชิงกว่านั้นหน่อย แต่จริงๆก็โดยรวมๆแล้วก็แย่งเหมือนกันะนะไม่แม้กระทั่งระดับชาติใช่ไหมระดับชาตินี้แย่งกันอยู่หมโ้ยโแย่งกันอยู่เนี่ยนะแต่ว่าแบบแย่งแบบมีอะไรนะมีกติกาของกันอย่างเหมือนแยกลูกฟุตบอลอยู่ลูกเดียวไง น, นะทั้งสนามนี้แย่งอยู่ลูกเดียวทังการทั้งหลายนี่เหมือนชิ้นเนื้อเป็นที่ยื้อแย่งกันการทั้งหลายอุปมาเหมือนครบญ้าครบญ้าเนี่ยก็คืออถ้าใครเคยจุดครบญาตินะเอาเอาเอา ย่ามาแล้วก็จับเดินทวนลมนะสเก็ตมันก็ตกใส่ตัววัตถุทั้งหลายที่เราจับไวนะ้นำมาซึ่งความลำบากใจจนได้สมมติถ้าอย่าเหมือนกระเป๋าของเราเนี่ยนะถามว่าคบเพลิงมันตกใส่ไหมเนอมันยังอยู่หรือเปล่าเอ๊ะมันไปนไหนเนี่ย อ, อาการแบบนั้นแหละเรียกว่าคบเพลิงมันตกใส่เนี่ยนะคือคอืพอพอได้เกี่ยวข้องแล้วนำมาซึ่งความไม่สบายใจนะอันนั้นแหละเรียกว่าคบเพลิงคบา้า ตามทั้งหลายก็เหมือนกับล้มฐานเพลิงล้มฐานเพลิงก็ก็ใครที่ตกลงไปก็ที่บอกว่าเหมือนล้มฐานเพลิงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าโลกสแสวงหาในโลกนี้ก็ทุกในโลกนี้หนักหนาสาหัสอยู่แล้วตกนโลกไอ้ต่างหากนี่นะหมายความว่าโลกนี้ก็เดือดร้อนย่ําแย่นะสังเกตดูนะที่ที่เขาทำไร่ไถนากันเนี่ยนะที่เขายืนตากแดดสี่สิบองศาสี่สิบ้าองศาอยู่ทุกวันทุกวั น, ท, วนทุกวันเนี่ยเหมือนตกหลุม ตกไปในหลุมฐานเพลิงไหมแล้วถามว่าถ้าเขาทำอย่างนี้ตลอดชีวิตเขาเกิดควรเกิดที่ไหนนะก็หลุมฐานเพลิงทั้งโลกนี้และโลกหน้าพันกามทั้งหลายประดุดหลุมฐานเพลิงกามทั้งหลายเปรียบเหมือนความฝันฝันว่ามาที่เมืองการากตาฝันวแบบ่าเอาตอนนี้เอาให้ดูหน่อยสิใครเอามาให้ได้เก็บไว้ในฟิมเหรอฝันว่ามาปัตตนาปาตลีบุตร ฝันว่าไปล้อมผ้าที่เสาพระเจ้าอโศกฝันว่ามาที่ไหนอีกมาที่เมืองภัยาลีฝันว่ามาที่ราชคึกเนี่ยนะพุทธคยาฝันว่ามาพาราณสีฝันว่ามาไหนกุศินาร า, น, า, รานะฝันว่ามาลุมพินีกบิลพัฒฝันว่ามาเชตาวันเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยฝันว่านั่งฟังธรรมเนี่ยนะ สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็เหมือนกับความฝันวันที่สี่ฝันว่ามาอินเดียวันที่สี่นะก็ถึงเมืองไทยเรียบร้อยแล้วใถ้าไม่ตายระหว่างทางอนะก็ถือว่าฝันว่ามาอินเดียของงั้นและทุกอย่างก็เหมือนกับความฝันตรงนี้ดูเหมือนจริงแต่อีกพักหนึ่งมันจะเหมือนฝันทันทีหลายๆเรื่องกลายเป็นความฝันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเช่นเช่นอะไรบ้างที่เหมือนความฝันไปเรียบร้อยแล้วหลายๆคนบอกเช่นความเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นต้น การทั้งหลายเหมือนความฝันการทั้งหลายเหมือนของขอยืมชั่วคราวเนี่ยนะเหมือนโรงแรมเลยว่างั้นเถอะขอยืมใช้ชั่วคราวเดี๋ยวก็ไปแล้วไปเรื่อยเรืเื่อยเรอยของขอยืมจริงๆเหมือนอยู่บนถนนอ่ะ น, นะเหมือนชีวิตบนถนนนี้ก็เหมือนกับของขอยืมเข้ามามันไม่ใช่ของใครจริงๆการทั้งหลายเหมือนกับผลไม้ผลไม้ก็ดังกล่าวว่าถ้าพูดแบบมหาชนกนะง่ายๆดิถ้าต้นไม้ต้นใดมีลูกดอกเป็นยังไงส่นะ เขาเขาดูจากลำใหยเนี่ยใช่ลำใหยปีไหนถ้าออกมากออกเต็มที่เลยนะมันโซมทั้งปีเลยมันจะเว้นปีหนึ่งมันปีหลังมันจึงจะออกลูกถ้าไม่เร่งสายเนี่ยเว้นปีจึงจะออกลูกใหม่ถ้าออกดอกอีกก็โซมอีกแล้วก็ไปอย่างนั้นอีกวัตถุกรรมทั้งหลายก็ลักษณะนั้นก็จึงเหมือนกับผลไม้ถ้าต้นไม้ต้นใดที่ไม่มีลูกเป็นยังไงใบก็ดกอยู่สบายเนี่ยนะถ้าไหนมีลูกดกดอกัหมวัตถุกรรมทั้งหลายก็ลักษณะนั้นแล้วก็อีกในหนึ่ง การทั้งหลายเนี่ยถ้าเหมือนกับผลไม้ก็คือใครที่ขึ้นไปอยู่บนต้นไม้เนี่ยนะที่เรียกว่าคนอื่นก็พร้อมอยากจะโค่นเราอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราอยู่บนต้นนั้นถ้าเราไม่คิดจะออกนไปไหนก็เขาโค่นลงมาก็ล้มมาพร้อมกับต้นไม้ฉันใดวัตถุ ก, การมทั้งหลายถ้าไม่คิดจะออกนะตายพร้อมกับสิ่งเหล่านั้นเอาไหมอย่างในสมเมืองเมืองเมืองสาวะถีนี่แหละเดียร์ถีเนี่ยนะเขาไปส่งสวยให้พระเจ้าประสิทิ์ที่โกศล ให้พระเจ้าประเซนที่โกศลอนุญาตสร้างวัดเนี่ยช่างเทตะวันสร้างวัดไหนวัดอะไรตรงนั้นะ่ะวัดของเดรธีเดรธีเขาจะมาเขาก็ยักสินบนให้พระเจ้าเประเซนที่โกศลให้อนุญาตสร้างวัดได้กังข้างเชตะวันนี่แหละจะสร้างแข่งพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็รู้ขา่าวก็ส่งภาษาวคกค่อยๆส่งไปเรื่อยๆบอกว่าอย่าทำอย่างนี้เลยบ้านเมืองมันจะเดือดร้อนมันไม่ดีนักบวชสองรัที่อยู่ด้วยกันมันจะมีปัญหาพระเจ้าเปรสเซนต์นิโกศนก็ก็รับฟังอะนะแต่ว่าไม่ได้รับปฏิบัติตามหลายวันเข้าหลายๆครั้งเข้าส่งภาษารีบุตรเป็นต้นไปก็เรื่องก็ไม่ได้อะไรตอนหลังพระองค์ก็เสด็จเออบ้านเมืองจะสลายจริงๆก็เลย แล้วพระองค์ก็ตรัสเล่าถึงว่ารือเดรธีสร้างวัดตอนหลังที่ตรงนั้นก็เลยกลายเป็นสีที่อยู่โคนไม้ต้นเดียวกันและมันมีปัญหาทําให้บ้านเมืองปั่นป่วนไปหมดเนี่ยนะใ น, นนี้ก็เหมือนกันแต่มีพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสอยู่คําหนึ่งบอกว่าพระราชาพระองค์นี้จะไม่ตายหรื อ, อยังไงคือเห็นแค่วัตถุกรมตรงนั้นเนี่ยนะเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยได้วัตถุกรรมหรือไอ้สินบนตัวนั้นแล้วจะมีความสุขอยู่แค่นั้ น, น, นอะ่ะจะไม่ตายหรื อ, อยังไง นะเป็นพุทธพจน์ที่พระองค์เปรยถึงพระเจ้าประสิทธิฐที่โกศลนั่นนะตอนหลังพระเจ้าประสิทธิ์พระองค์แสดงชาดกพระเจ้าประสิทิ์ที่โกศลก็เห็นโทษว่าเออบ้านเมืองจะสลายจริงๆก็เลยเนะไม่อนุญาตให้ให้ให เ, เดรัทธีสร้างวัดตอนหลังที่ตรงนั้นก็เลยกลายเป็นสำนักภิกษุณีไปกลายเป็นวัดของภิกษุณีไปที่เรียกว่าราชิาชาชชการามใช่มอันนะัรา ช, ชิการามหรืออะไรเป็นถือว่าเป็นไม่ให้เป็นกษัตริภิกษุณีไปตอนแรกแล้วเดรัทธีเขาจะมาสร้างวัดเนี่นนะ มันก็วัตถุกรรมทั้งหลายเนี่ยถ้าหากว่าไม่คิดจะจากหรือจะอยู่ในสิ่งเหล่านี้ได้ถาวรจริงๆก็ไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่ใช่ไหมแต่เนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นของถาวรสมมุท่าอย่างที่เคยถามว่าสมมุทชาตินี้คุณเป็นกษัตริย์นะคุณตายจากกษัตริย์แล้วไปเกิดเป็นลูกชาวบ้านในปริมณฑลและคุณเ ล, ลืกชาติได้กลับมาบอกฉันคือกษัตริย์เขาจะรับขึ้นบาลังต่อไหม ทำไมอ่ะก็ระลึกชาติได้ด้วยนะแล้วเล่าบอกถูกหมดว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยแล้วก็ตัวเองระลึกชาติได้เนี่ยทําไมเขาไม่ให้เป็นกษัตริย์อีก<ด>อา้าวมันของเราไม่ใช่หรอทําไมไม่ได้เนาะนี่ก็เหมือนกันวัตถุ ก, การมทั้งหลายในโลกนี้ก็เหมือนกันสมมุตินะเอ า, เอาแบบยกตัวอย่างผู้การหนึ่งป่ะแกไม่โกรธหรอกแกตัดสาสีนโกรธเดี๋ยวกายตีนขาดเห็นไหสมมตินะผู้การเนี่ยสาระแสวงหาทรัพย์ชาตินี้ว่ายเยอะแยะไปหมดเลยสมมตินะ สมมติผู้การจุติไปแล้วก็ไปเกิดที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วมาแล้ลือกชาติได้แล้วแล้วมาขอส่วนแบ่งเนี่ยนะคิดหรือว่าเขาจะแบ่งให้บ้างเขาอาจจะให้ค่าขนมไปบ้างอะในฐานะานาที่ลเลือกชาติได้เนี่ยนะเชื่อจริงๆเลยว่าถ้าสมมติถ้าจูติแล้วมาใหม่นะเขาให้ไหมผู้การผู้การว่าเชื่อว่าเขาจะแบ่งให้บ้างไหยคือเล่าบอกถูกหมดแล้วเขาก็ยอมรับด้วยนะว่าจริงเนี่ยนะถึงอย่างนั้นก็ไม่เท่าไหร่เนี่ยนะอย่างมากได้ผ้าถุงกลับไปใช่ไหมคุณกันตา ที่คุณกาตาเล่าคุณกาตาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนิดหนึ่งนเป็นยังไงก็มีเพื่อนธรรมะของเราพวกเราคนหนึ่งนะฮะเขาอยู่ที่สุรินนั่นแหละตอนเด็กๆเขาก็เขาก็เคยเห็นเปต็ดนะเขาก็เข้าไปดูใกล้ๆแล้วก็เขาก็ที่ที่เขามั่นใจว่าเป็นเป็ดก็คือว่าเขาไปดูใกล้ๆแล้วหน้าตานี่จะแตกมากเลยแบบว่าดูไม่ออกว่าเป็นสัตว์หรือเป็นคนเป็นอะไรแต่เขาก็คิดว่า เขาบอกว่าเขาก็ถือไม้คานไปด้วยเขาก็ถ้าเป็นหมีหรือเป็นตัวอะไรเขาก็จะตีแล้วก็จะวิ่งหนีแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเป็นอมนุษย์หรือเป็นเป็ดเป็นอะไรนี่เขาก็บอกว่าให้แบบว่าให้หนีไปให้สลายไปหรือว่าให้ให้จะทำอันตรายเขาเลยเขาก็เห็นตัวที่สูงแบบว่าเลยยอดไม้อะ่ะค่อยๆลดลดลดลดลงแล้วก็หายไปต่อตาต่อหน้าต่อตา เขาก็เลยแบบว่ากลับไปบ้านแล้วก็บอกแม่ว่าเนี่ยเขาเห็นตัวเปรตมาแม่เขาบอกว่าอ๋อเห็นเหมือนกันเหรอแม่เขาก็เคยเห็นบ่อยหลายครั้งที่นาข้างๆบ้านแล้วก็แต่แม่เขาไม่จะได้ก็เพราะว่าแล้วพอหลังจากนั้นแม่เขาก็บอกว่าสงสัยเขาจะมาขอส่วนบุญมั้งเขาก็เลยวันรุ่งขึ้นเขาก็เลยไปทําบุญที่วัดแล้วก็กดน้ําอุทิศกส่วนส่วนไปให้เปรดที่อยู่นาข้างๆกันแล้วหลังจากนั้นเขาก็เข้ามาทํางานที่กรุงเทพ แล้วก็มีคนในหมู่บ้านเดียวกันนี้ไปอยู่ที่เพชรบุรีแล้วก็เขาก็มาเล่าว่าคนญาติในหมู่บ้านนะเขามีลูกเกิดมาแล้วก็ลูกของเขาหนี้พออายุได้เริ่มหัดพูดได้เขาก็มาเล่าบอกว่าเขาเป็นเขาเคยเป็นเปรตแล้วเขามาเกิดแล้วก็ที่เขามาเกิดได้ก็เพราะว่ามีเด็กผู้หญิงคนนึงทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เพราะว่าเขามาปรากฏให้เห็น แล้วคนก็ถามว่าแล้วทำไมเขาต้องเป็นเปรตเขาบอกว่าที่เขาเป็นก็เพราะว่าเขาทอผ้าไหมไว้เยอะแยะเลยแต่เขาห่วงมากห่วงผ้าไหมมากไม่ยอมให้ใครก็เลยตายไปก็เลยไปเป็นเปรตแล้วเสร็จแล้วเขาก็เล่ารายละเอียดได้ถูกต้องหมดเลยแล้วเขาบอกว่าเขาอยากจะกลับไปบ้านเขาก็พ่อแม่เขาเลยพากลับไปบ้านเขาที่สุรินทร์พอไปถึงเขาก็เดินขึ้นไปบ้านเขาเลยแบบว่าไม่ต้องมีใครบอกเขาจะไปตรงขึ้นไปแล้วพอเจอหน้าลูกสาวเขาเขาก็เรียกชื่อแล้วก็ พูดลำดับเล่าเรื่องราวอะไรถูกต้องหมดแล้วลูกสาวเขาก็ถามว่าแม่มาทําไมเขาก็บอกว่าเขาจะมาเอาผ้าถุงผ้าไหมผ้าถุงผ้าอะไรที่เขาทอไว้เยอะแยะกลับคืนไปบางที่เขาก็รู้นะว่านั่นการที่เขาห่วงผ้าพวกนั้นเป็นเหตุให้เขาเป็นเปรตแต่เขาก็ยังจะกลับมาเอาลูกเขาก็เลยกว่าอุ้ยไม่เหลือแล้วแจกจ่ายไปหมดแล้วแต่เขาก็เอาให้ผ้าถุงกับผ้าผ้าขม้าให้ผืนหนึ่งความที่เป็นเด็กอนะเด็กได้แค่นั้นก็ดีใจก็กลับบ้านไปก <c oughs> ็จบเรื่องเปรตค่ะ ตอ น, นเรื่องจริงอ่ะนะที่คุณการตาเล่าไปที่ไปที่บ้านคุณหลานก็ถามก็ได้เนี่ยนะเจ้าของเรื่องก็กยังอยู่ไปสอบถามเอาเนนะว่าเออเรื่องอย่างงี้ก็มีนะเหม น, นถ้าพูดตามในพระตไตรปิฎกก็ถือเป็นเรื่องปกติเนี่ยนะไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกประหลาดอะไรหรอกคือเรื่องแบบเนี้มีมานานแล้วเพราะถ้าผู้ที่ติดในทรับเนี่ยนะสแสวงหาวัตถุกรรมมาเต็มที่เลยยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งเลยนะเขาบอกว่าราค่านี่มีโทษไม่มากแต่คลายช้าเนี่ย มีผู้ชายคนหนึ่งไปไปไปมีภริยาเนี่ยนะมีก็มีภริยามาตัวเองก็มีน้องชายก็อยู่ร่วมกับภริยาของตัวใช่ไหมตอนหลังน้องชายกับพี่สะพายก็มีอะไรกันทีพอเดืนนานหลายๆครั้งเข้าก็เอ๊ะเดี๋ยวพี่ชายจะรู้ภริยาก็เลยบอกว่าเอ่อบอกสามีเอ่อบอกบอกน้องชายของสามีให้บอกให้ข้าพี่ชายเธอซะเถอะเนี่ยนะเพราะถ้าเราจะได้อยู่ร่วมกันลูกวัวตัวนี้พอรู้ความสามีก็เอ่อน้องก็ด่าเข้าไปหลายครั้งก็ออด แต่หลังก็ตายจากนั้นไปเกิดเป็นหมาฆ่าพี่ชายจริงๆทีนี้ไอ้พี่ชายคนผู้หญิงเนี่ยค่าแล้วก็ใจก็รกักแต่ภริยาของตัวเนี่ยรักตายจากชาตินั้นก็มาเกิดเป็นงูเขียวในบ้านเวลางูตัวนี้เห็นภริยาเดินไปที่ไหนนะั้นมันจะเดินตามแล้วมันก็ตกตัวสายเนี่ยนะภริยาก็เลยรู้สึกใส่นี่ผัวเก่าแน่ก็เลยไม้หัวก็ตายอีกใจก็ยังรกักอยู่นั่นแหละก็ตายไปเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นหมาในบ้านเออเกิดเป็นโคก่อนเกิดเป็นลูกวัว เกิดเป็นลูกวัวลูกวัวตัวนี้พอรู้ความก็ตายติดตามแต่ผู้หญิงคนนี้ไปก็ถูกฆ่าอกีกแต่หลังก็ตายจากนั้นไปเกิดเป็นหมาเกิดเป็นหมาก็ถูกถ่วงน้ําอีกตายอีกผู้หญิงเนี่ยฆ่าแล้วก็ชาติหลังมาเกิดเป็นลูกในท้องของผู้หญิงคนนี้เลยพอคลอดออกมาเลยวลึกชา